พุทธพจน์แสดงหลักศรัทธาสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้นับถือทิษฎีลทัทธิหรือคำสอนอันใดอันหนึ่งอยู่แล้วหรือยังไม่นับถือก็าตามมีหลักการตั้งทัศนคติที่ประกอบด้วยเหตุผลตามแนวกาละมสูตรดังนี้ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าสเสด็จเจ้าริกถึงเกษะปุตตนิคม ของพวกกาลามะในแคว้นโกสลชาวกาลามะได้ยินกิตติศัพท์ของพระองค์จึงพากันไปเฝ้าแสดงอาการต่างๆกันในฐานะยังไม่เคยนับถือมาก่อนและได้ทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญสมณพราหม์พวกหนึง่งมาสู่เกสาปุตตะนิคมท่านเหล่านั้นแสดงเชื่อชูแต่วาทะคือลทัทธิของตนเท่านั้นแต่ย่อมกระทบกระเทียบดูมิน พูดกดวาทาฝ่ายอื่นฉักจูงไม่ให้เชื่อสมณพราหมีอีกพวกหนึ่งก็มาสู่เกษะปุตตะนิคมท่านเหล่านั้นก็แสดงเชื่อจูแต่วาทะของตนเท่านั้นยอมกระทบกระเทียบดูหมินพูดกดวาทาฝ่ายอื่นฉักจูงไม่ให้เชื่อพวกข้าพระองค์มีความเครือบแคลงสงสัยว่าบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นใครพูดจริงใครพูดเท็จ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 อิติกีราอย่ายึดถือโดยการเล่าลือปิตกะสัมปทาอย่ายึดถือโดยการอ้างตำราตักกะอย่ายึดถือโดยตักกะนายะอย่ายึดถือโดยการอนุมานอาการะปริวิต ก, กะอย่ายึดถือโดยการคิดรองตามแนวเหตุผล ทิฐนิจานักขันติอย่ายึดถือเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีของตนพัพภรูปรตาอย่ายึดถือเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าเชื่อสมโนโนโคัรูติอย่ายึดถือเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเราเมื่อใดท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่า ธรรมะเหล่านี้เป็นอกุศลธรรมะเหล่านี้มีโทษ ธ, ธรรมะเหล่านี้วินยูชนติเตียนธรรมะเหล่านี้ใครยึดถือปฏิบัติถึงที่แล้วจะเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียละจนถึงเมื่อใดท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่าธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลธรรมะเหล่านี้ไม่มีโทษ ธรรมะเหล่านี้วินยูชนสรรเสริญธรรมะเหล่านี้ไร ย, ยึดถือปฏิบัติถึงที่แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงถือปฏิบัติบําเพ็ญธรรมะเหล่านั้นคําแปลว่าอย่ายึดถือนี้ตั้งแต่ครั้งเขียนหนังสือพุทธธรรมก่อนจะติพิมพ์ครั้งแรก ในพุทธศักราช 2,514 รู้สึกว่าสื่อความหมายไม่ชัดแต่ก็หาคำที่เหมาะจริงมาแทนยังไม่ได้ในที่สุดจึงตกลงรักษาคำแปลว่าอย่ายึดถือนั้นซึ่งพระไตรปิฎกภาษาไทยอนุสร์งานฉลอง25พุทธศตวรรษพุทธศักราช 2,500 แปลาจากอัธกถ า, าที่ไขความคำว่ามาตรงนี้ว่ามาคันหิทะ เป็นการได้หลักฐานไว้ก่อนแต่ทำเชิงอัดบอกไว้ว่าคำว่ายึดถือในที่นี้ใช้ไปพลางก่อนเรายังหาคำเหมาะสมไม่ได้ขอให้เข้าใจความว่าหมายถึงการไม่ตัดสินหรือลงความเห็นแน่นอนเด็ดขาดลงไปเพียงเพราะเหตุเหล่านี้ถึงปีต่อมาพุทธศักราช2515เมื่อทำพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม ไดยุติใช้คำาปลาตรงนี้ว่าอย่าปลงใจเชื่อแต่ในพุทธธรรมที่พิมพ์ต่อมายังปล่อยวิทตามเดิมเพียงแต่เขียนเพิ่มในเชิองอัดว่าคำว่าอย่ายึดถือในที่นี้ขอให้เข้าใจความว่าตรงกับคําว่าอย่าปลงใจเชื่อดูคําปลาอีกทีได้ในบันทึกพิเศษท้ายบท ในกรณีที่ผู้ฟังยังไม่รู้ไม่เข้าใจและยังไม่มีความเชื่อในเรื่องใดๆก็ไม่ทรงชักจูงความเชื่อเป็นแต่ทรงสอในให้พิจารณาตัดสินเอาตามเหตุผลที่เขาเห็นได้ด้วยตนเองเช่นในเรื่องความเชื่อทางจริยธรรม <c oughs> เกี่ยวกับชาตินี้ชาติหน้าก็ม <c oughs> ีความในตอนท้ายของสูตรเดียวกันนั้นว่ากาลามาชนทั้งหลายอริยสาวกนั้น ผู้มีจิตปราศจากเวรอย่างนี้มีจิตปราศจากความเบียดเบียนอย่างนี้มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้มีจิตบริสุทธิ์อย่างนี้ยอมได้ประสบความอุ่นใจถึงสี่ประการตั้งแต่ในปัจจุบันนี้แล้วคือถ้าปรโลกมีจริงผลวิบากของกา ร, รมที่ทำไว้ดีทำไว้ชั่วมีจริงการที่ว่าเมื่อเราแตกกายทำลายขันไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์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 เราไม่ได้คิดการชั่วร้ายต่อใครๆทุกที่ไหนจะมาถูกต้องเราผู้ไม่ได้ทำบาปกรรมเ่านี้เป็นความอบอุ่นใจประการที่สามที่เขาได้รับก็ถ้าเมื่อคนทำชั่วก็ไม่ชื่อว่าเป็นอันทาไซในกรณีนี้เราก็มองเห็นตนเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งสองด้านนี้เป็นความอุ่นใจประการที่สี่ ที่เขาได้รับ